มาจากที่ไหนกันฮ ะ, ะมาจากที่ไหนไร่องค่ ะ, ะองอเคยมาปะเคย ะ, ค ะ, ะมาหลายครั้งแล้ว อ, อย่างครั้งที่สามวะครั้งที่สาม่สี่ครั้งที่สี่ไม่เคยขึ้นมานั่งข้างบนนี่นะมาทุกครั้งเลยคไม่พลาดนั่งข้างบนนี่เลยจำไม่ได้ เดี๋ยววันนี้จะให้ถามคำถามก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีชาวสิงคโปร์เขาจะเข้ามาถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้ทางบ้านถ้าใครอยากจะถามคำถามก็ถามได้ช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีคำถามก็เดี๋ยวก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถามได้นะถ้าอยากจะทราบอะไรก็ถามจายะการเตรตัวเรใจรับกับร่างกายที่เราจะต้องเปนพี่สาวเนี่ยอาจจะต้องผ่านสัตว์ควรจะต้องเตรียมอย่างใจอ่าเตรีมใจเฉยๆ อย่าไปวุ่นวายกับมันวิธีทำให้เราเฉยๆได้ก็ต้องหยุดคิดหยุดอยากใจเราคิดใจเราอยากตลอดเวลาคิดถึงร่างกายก็อยากให้ร่างกายมันดีอยากให้ร่างกายมันแข็งแรงอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บ่ายได้ป่วยอยากจะให้ร่างกายไม่ตาย คิดแบบนี้มันก็จะไปชนกับความจริงเพราะความจริงของร่างกายเนคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเมื่อมันความอยากกับเรากับความจริงมันไม่ตรงกันผลก็คือความทุกข์ใช่ไหมอยากเรามันไม่ได้ดังใจอยากเราก็เสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเราคิดไป ตามความเป็นจริงคิดว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอัานนี้สอนให้เราคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ดังใจอยากเวลาเราอยากได้อะไรเราเราได้มาเราดีใจไหมอยากได้แฟนก็ได้แฟนดีใจไหมเห็นไ อยากได้เงินแล้วได้เงินมาดีใจไหมถ้าอยากได้ความแก่มันต้องได้แน่แน่ใช่ไหมไม่ผิดหวังจะไม่เสียใจ อ, อยากได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้แน่ๆใช่ อ, อยากได้ความตายมันก็ได้แน่ๆน่ถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะมันจะไม่ผิดหวังมันจะสมหวังกเราทุกคนต้องการความสุขความสมหวังใช่ไหม ความสุขความสงสัยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเขาจร่างกายมันไม่รู้สึกอะไรมันแก่หรือมันไม่แก่มันไม่รู้ว่ามันมันแก่หรือไม่แก่มันเจ็บหรือไม่เจ็บมันไม่รู้มันตายหรือไม่ตายมันไม่รู้มันไม่เดือดร้อนส่วนใจเรานี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายที่ไม่เดือดร้อน เราเดือดร้อนเพาอะไรเพราะเราไปอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเราเลยเดือดร้อนเพราะว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นเหมือนคนขับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยคนขับกับรถยนต์นี้คนเดียวกันหรือเปล่าสิ่งเดียวกันหรือเปล่า รถยนต์ก็เป็นอย่างหนึ่งคนขับก็เป็นอย่างหนึ่งเวลารถเสียคนขับเสียไปกับรถด้วยว่าแต่ทำไมคนขับกลับไปงดเงียเพราะอยากให้รถไม่เสียใช่อยากให้รถมันวิ่งไปทุกเวลาที่เราต้องการพอสตาน์ทไม่ติดขึ้นมาก็ปวดหัวแล้วเสียใจนะาคาญใจขึ้นมาแล้ว เพราไม่ได้ดังใจอยากอยากให้รถนี้มันวิ่งไปได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเวลาเราติดเครื่องมันไม่ยอมติดเนอะเราก็รู้แล้วว่าเกิดเรื่องแนละ้วรถมันไม่เดือดร้อนกูไม่ติดกูกูไม่เดือดร้อนกูก็จอดอยู่อย่างนี้แต่คนคนที่เดือดร้อนคือคนขับใช่ไหมเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะอยากจะให้รถมันวิ่งน แล้วรถมันไม่วิ่งมันก็เลยเดือดร้อนคนอื่นคนที่เ็าไม่ได้ขับรถเขาก็ไม่เดือดร้อนแทนเราใช่ไหมรถไม่ไม่วิ่งเขาก็ไม่เดือดร้อนทำไมไม่วิ่งก็ไม่วิ่งรถก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนมีเราคนเดียวที่ไปเดือดร้อนเพราะเราไปอยากให้มันวิ่งแล้วมันไม่วิ่งไม่ได้ดังใจอยากก็เลยทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่า ดังนั้นถ้าจะคิดถ้าอยากถ้าอยากคุณอยาอยากในสิ่งที่เราได้แน่ๆเราจะไม่ทุกข์อยากแก่เนาะจะไม่รับรองได้ไม่ผิดหวงังต้องแก่แน่ๆอยากเจ็บไข้ได้ป่วยรับรองได้เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยากตายเดี๋ยวมันก็ตายให้คิดอย่างนี้คิดว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องทําใจต้อนรับมัน อย่าไปปฏิเสธมันถ้าเราไปปฏิเสธมันเราจะทุกข์ดังเวลาคนมาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขาเราไม่อยากจะต้อนรับเขาเนี่เราทุกข์ไหมถ้าต้องรับเขามาอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นคนที่เราชอบอยากให้เขามาเนี่ยพเขามาเราดีใจไนหะแล้วก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่หรือมีอาการสามสิบสองเหมือนกันไม่ใช่หรอมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกัน ล้วทำไมไปรักคนหนึ่งแล้วไปเกลียดอีกคนหนึ่งไปเกลียดผมคนหนึ่งไปรักผมอีกคนหนึ่งมันก็ผมเหมือนกันนี่แหละใช่ไมนั่นแหล ะ, ะปัญหาของเราคือเราไปเลือกที่รักมักที่ชังกันเราต้องหยุดหยุดเลือกเลือกที่รักมักที่ชงังคือเอารักทุกสิ่งทุกอย่างที่บรนมายินดีตามมีตามเกิด อะไรมาก็รับมันเข้าไปแล้วจะมีความสุขอากาศหนาวมาก็รับมันยินดีพอยินดีก็มีความสุขได้ใส่เสื้อหนาวได้แต่งตัวสวยๆอันนา้นจะได้แต่งตัวอย่างนี้สักทีแต่คนที่ไม่มีผ้าห่มก็ไม่อยากจะรับความหนาวเพอหนาวแลวมันมันทุกข์ก็เลยยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะเวลาหนาวแล้วพอมันหนาวมันไม่แทนที่จะสุขกับทุกข์เพราะไม่อยาก ไม่อยากหนาวส่วนคนที่มีเสื้อผ้าสวยๆมีเสื้อมีเสื้อหนาวใส่ก็อยากให้มันหนาวจะได้ใส่เสื้อหนาวโอดคนนั้นคนนี้ได้นั้นมันอยู่ที่ความอยากของตัวเดียวกันลเลยอเพียงแต่ว่ามันใจมันใจกับจิตมันมันมันเป็นสองหน้าที่เหมอนแสนแขนซ้ายแขนขวาจิตกับใจเนี่ย เป็นตัวเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันแต่ทำสองหน้าที่ใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดตัวเดียวกันอะตัวเดีย ว, ว, ยวที่ทำสองหน้าที่เหมือนมีมือซ้ายมือขวาเองแต่เป็นเป็นเป็นตัวเดียวกันแต่ทำสองหน้าที่เราเลยแบ่งเวลาใจรู้ก็เรียกว่าใจเวลาคิดก็เรียกว่าจิตะ เองจิตกระจายมันไปด้วยกันเป็นฝาแฝดอมันต้องรู้ต้องคิดแไปด้วยกันตัวคิดนี้ออกมาจากตัวรู้อีกทีนึงตัวคิดนี้หยุดทํางานได้แต่ตัวรู้ไม่หยุดทํางานตัวรู้นี่รู้ตลอดเวลาตัวคิดนี้ถ้าเรามีสติควบคุมบังคับมันเราก็หยุดมันคิดได้ชั่วคราน คิดได้ทั้งเป็นปัญญาก็ได้เป็นเป็นความโง่ก็ได้คิดได้คิดแบบคนโง่คิดไงคิดจะไปขโมยเงินทองเขาเนี่ยก็อย่างนี้ไม่เรียกว่าปัญญาถ้า ถ, ถ้าสติก็เป็นตัวควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดก็ได้ให้มันคิดก็ได้เหมือนรถถ้าเบรกรถเนี่ยสติเป็นเหมือนเบรกรถนะถ้าต้องการให้รถหยุดต้องมีเบรกใช่ไหมถ้าต้องการหยุดคิดก็ต้องมีสติ บางทีเราคิดไม่ดีคิดแล้วฟุง้งเนี่ยคิดแล้วไม่สบายใจถ้าเรามีสติเราก็หยุดคิดได้ถ้าหยุดคิดแล้วความไม่สบายใจก็หายไปตอนนี้ส่วนใหญ่เรามีสติแต่มีน้อยมีไม่พอที่จะหยุดมันหยุดได้ในบางครั้งบางเวลาหยุดกับเรื่องเล็ ก, ลกๆน้อยๆเรื่องที่เรื่องที่จะไปขโมยเงินนี้เราก็พอจะหยุดได้ เพิ่มกำลังของสติโดยการฝึกสติโดยการเจริญสติเพื่อให้ระลึกอยู่กับพุทโธพุทโธนี่่นีเรียกว่าเป็นการเพิ่มสติเพราะถ้าเราเราคิดอยู่กับพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไปคิดถึงเงินทองเข้าของสถานที่ด้านที่นี้ไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับพุทโธอยู่พอเราไม่พุทโธปั๊บมันก็ไปได้ เหมือนรถเนียพอเรามาถึงสียแยกไฟแดงเราก็เหยียบเบรคมันก็ไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยเบรคมันก็ไหลไปเลยมันก็วิ่งต่อไปด <c oughs> ังนั้นต้องฝึกสติตอนนี้เรามีสติในระดับของมนุษย์ปุถุชนคือพอที่จะยับยั้งความคิดที่ไม่ดีคือการกระทำบาปห้าข้อนี้ได้เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักธา ไม่ประพืตผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสรายามเมาแต่บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้ะแสดงว่าเบรกยังไม่ดีเหมือนรถบางทีก็เหยียบบางทีก็หยุดบางทีก็ไม่หยุดบางทีก็ไปชนกับรถคนอื่นเวลาเราห้ามใจเราไม่ทำบาปไม่ได้เราก็ไปมีเรื่องมีดาวกับคนอื่นไปขโมยข้าวของของคนอื่นเอา ก็ต้องไปมีเรื่องละบางทีมันอยากถ้าความอยากมันแรงบางทีความสติของเราสู้ไม่ไหวนะคนที่สู้ความอยากไม่ไหวมักจะต้องไปติดคุกติดตารางนะอยากได้เงินของคนอื่นตัวเองไม่มีเงินก็เลยไปปล้นธนาคารเนี่ยนคะนธนาคารก็ถูกเขาจับจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางถ้าเกิดมีการต่อสู้กันอาจจะถูกตํารวจยิงตายก็ได้ นี่แสดงว่ามีสติน้อยคนที่ไม่ไปพ้นธนาคารไม่ไปพ้นร้านทองนี่แสดงเขามีสติมากพอพอที่จะห้ามใจเขาไม่ให้ไปอทํำบาปแบบนี้ได้แต่ก็อาจจะไปทํำบาปแบบอื่นก็ได้อาจจะไปพูดหลอกลวงโกหก <c oughs> มันมาจากความอยากเท่นั้นการทำบาปนี้เกิดจากการความอยากอยากได้อยากได้แล้วถ้าไม่ได้ด้วยการไม่ทำบาปก็ต้องทำบาปถึงจะได้ถ้าไม่โกหกแล้วไม่ได้ก็ต้องโกหกถึงจะได้เอนอยากจะไปเที่ยวก็โกหกว่าไปหาหมอบอกแฟนว่าไปหาหมอพอไปแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอไปเที่ยวถ้าบอกว่าไปเที่ยวแฟนก็ไม่ให้ไปถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกัน ความอยากมันทําให้เราต้องไปทําบาปถ้าเราไม่มีสติห้ามความอยากมลยแต่ถ้าเรามีสติเราหยุดความอยากไปเที่ยวพอคิดถึงความคิดถึงเวลาจะไปเที่ยวแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องเรื่องเรื่องไปเที่ยวได้มันก็ไม่ต้องไปเที่ยวถ้าเราหยุดคตัวรู้มันชัดเจนใช่ไหมครถ้าเราหยุดคิดตัวรู้ก็จะชัดขึ้นมา ตัวรู้เหมือนจอทีวีไงส่วนตัวคิดเหมือนภาพบนทีวีเราอยากจะเห็นจอเราต้องทำไงเราต้องปิดทีวีใช่ปิดภาพพอไม่มีภาพเราก็จะเห็นจอใช่ไหแต่ถ้าเราเปิดทีวีเราไม่เห็นจอเราจะเห็นภาพบนจ อ, อกทีเราไม่รู้ว่าจอนี้สีเขียวสีดาหรือสีอะไรตัวจอจริงๆเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะถูกตัวภาพบังไว้ ตัวรู้นี่ถูกตัวคิดบังไว้เราไม่เห็นตัวรู้เราเห็นแต่ตัวคิดเราอยู่กับตัวคิดเป็นส่วนใหญ่ตัวคิดเพราะ ต, ตัวคิดมันจะพาให้เราไปทำนูน่นทำนี่เราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดแต่ความคิดของเรามันไม่ดีส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเป็นเป็นความคิดของก่เลยเป็นความคิดที่จะพาเราไปหาความทุกข์กันโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ เพราะว่ามันไปมันมีความสุขบังอยู่ข้างหน้าเวลาอยากไปเที่ยวมันคิดถึงความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวแต่มันไม่เห็นทุกเวลาที่ไม่มีเงินไปเที่ยวเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปเที่ยวมันทุกเนีต้องอยู่บ้านอยู่คนเดียวเศร้าซ้อยง่อยเแล้ว้าวเวมันมองไม่เห็นตัวทุกเพราะมันไม่มีปัญญามันคิดไม่เป็นมันคิดแต่เฉพาะ สิ่งที่มองอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองมันไม่คิดถึงผลที่จะตามมาต่อไปอันนี้ตองถ้ามีปัญญาแล้วมันจะคิดรอบครอบกว่านี้คิดไกลกว่านี้คิดว่าถ้าไปเที่ยวแล้วมันติดแล้วต่อไปเวลาไม่ได้เที่ยวจะเป็นยังไงเวลาเราติดอะไรแล้วเราไม่ได้ของที่เราติดนี่เรา ร, รู้สึกยังไงติดละครนี้พอไม่ได้ดูละครนี้เป็นยังไง ติดแฟนเพราะไม่ได้อยู่ใกล้แฟนเป็นยังไงทุกอย่างที่เราอยากนั้นเราวความคิดของเราเนี่ยมันม่คิดไปในทางให้เราไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือให้ติดกับลาบยศสารเสรินติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทุกวันนี้เราหาลาบกันใช่ไหมหาเงินทองกันนี่มันติดไม่มีเงินทองใช้เดือดร้อนนะพามาบวชนี่เ็ไม่มีเงินทองใช้เขาเดือดร้อนนะ เขาไม่ติดเงินทองเขาไม่ต้องใช้เงินทองเขาก็ไม่เดือดร้อนมีเงินหรือไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่เรานี่ถ้าเงินเดือนไม่ออกเดือดร้อนไหมถ้ารายได้เดือนนี้ไม่มีเดือดร้อนไหมเพราะเราไปติดหนึ่งเราต้องใช้มันเราถึงจะมีความสุขพอเราไม่ได <conclusions> ้ใช้มันเราก็เดือดร้อนเราก็ทุกข์เราคิดไม่เป็นนง เราคิดว่ามีเงินทองแล้วจะดีเลยหาเงินกันใหญ่ เ, เวลามีก็ดีเวลาได้ก็ดีแต่เวลามไม่ได้ขึ้นมามันดีหรือเปล่าเวลามันหมดไปมันดีหรือเปล่าแล้วมันต้องหมดไหมถ้าหาไม่ได้มันก็ต้องหมดเพราะมันต้องใช้อยู่เรื่อยๆพอใช้แล้วมันหยุดใช้ได้หรือเปล่ายุดไม่ได้เนี่ยเราไม่เห็นอนิจจงปัญญาคนที่มีปัญญาเขาเห็นอนิจจงคือความ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรมีการเกิดแล้วต้องมีการดับแต่เราไม่เห็นการดับเราเห็นแต่การเกิดเห็นตอตอนที่เราได้เวลาได้ก็เกิดเงินทองเกิดขึ้นมาโอ้ดีใจกันถูกรัตตลี่นี่ดีใจแล้วเดี๋ยวก็มีคนขโมยรัตตรี่เราไปเบิกขึ้น <c oughs> นี่ก็ทุกข์ใจเลย <c oughs> <c oughs> หายไปแล้วยังไม่ทันได้เงินทองเลย เป็นแต่คิดว่าจะได้แล้วพอไอ้ลอตเตอรี่ที่เราจะไปเบิกมันหายไปนี่ก็ทุกใจขึ้นมาแล้ว <c oughs> เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่เสียใจไอ้ลอตเตอรี่ใบนั้นมันจะหายไม่หายเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไมอืนั่นแหละนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญานี่จะเห็นสามอย่างเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นว่าทุกอย่างนี้ มันเราควบคุมบังคับไม่ได้ควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเหมือนเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีน า, นานๆครั้งจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีหรือหายไปหมดไปพอหายไปหมดไปแล้วเป็นยังไง เจ้าสศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันแต่ถ้าเราไม่มีมันมันจะหายหรือไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันสุขตอนที่เรามีมันตอนที่หมดตอนที่มันหมดนี่เราจะทุกข์แล้วเราห้ามมันไม่ให้หมดไม่ได้ถึงเวลามันจะหมดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ อนัตตาแปลว่าห้ามไม่ได้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของดินฟ้าอากาศเนี่ยดินฟ้าอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับมันได้ไหม เ, เราเลยไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเราไม่มีความอยากที่จะไปควบคุมบังคับมันเราก็ยินดีตามที่มันมา มันหนาวเราก็รับมันมันฝนตกเราก็รับมันมันหนะมันร้อนเราก็รับมันเราก็เลยไม่ค่อยทุกข์กับจินฟ้ากับไม่ทุกข์กับธรรมชาติแต่สิ่งไหนที่เราคิดว่าเป็นธรรมชาติเราจะทุกข์เพราะเราคิดว่าเราสามารถควบคุมมันได้สั่งมันได้หามาได้เนื่องเงินทองเราคิดว่าเราหาได้ต้องการใช้เมื่อไหร่ก็หาได้แต่ไม่คิดถึงเวลาที่หาไม่ได้ ตันนี้หาได้เพราะทุกอย่างมันพร้อมร่างกายก็พร้อมงานก็มีทํำมันก็หาได้เดี๋ยวถ้าเกิดร่างกายไม่สบายขึ้นมาพิกลพิการไม่ทํางานไม่ได้แล้วมันจะหางานได้ยังไงแล้วร่างกายนี้มันแน่นอนที่ไหนมันจะแข็งแรงไปทุกตลอดเวลาหรือเปล่ามันดีคืนดีมันอาจจะเป็นนำมาพึ่งกอรมภาพาขึ้นมาก็ได้แขนขาดขาขาดขึ้นมาก็ได้ หูหนวกตาบอดขึ้นมาก็ได้เพราะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขถ้ามันไม่เที่ยงความสุขมันก็ต้องไม่เที่ยงตามนีน้ความสุขมันก็กลายเป็นความทุกข์ได้นี่คือการคิดแบบปัญญาเข้าใจไหมแต่เราคิดแบบปัญญาแล้วเราจะได้อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เราไป พึ่งไม่ได้เราอย่าไปพึ่งมันดีกว่าถ้าเราโชคดีเมื่อก่อนเราจะไม่รู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกว่าเรามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งเป็นความสุขที่เราพึ่งได้คนที่ไม่รู้ศาสนานี้จะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่เราพึ่งได้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดเขาก็ต้องหาแต่ความสุขที่ทําให้เขา ทุกพอเพราะเป็นความสุขชั่วคราวแต่คนที่เขาวัดนี้โชคดีเพราะพระพุทธเจ้าสอนวิธีหาความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่ถาวรความสุขที่เที่ยงที่ได้มาแล้วเราสามารถเก็บเอาไว้กับเราได้ตลอดก็คือความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดหยุดความอยากนี่แหละ ถ้าเราหยุดคิดหยุดความอยากได้ความสุขใจก็โผล่ขึ้นมาแล้วตราบใดถ้าเราควบคุมความคิดความอยากได้ความสุขนั้นก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่จะควบคุมความคิดความอยากได้ก็คือสติกับปัญญาสติก็หยุดสติเป็นเบรกปัญญาเป็นคนคอยบอกเหตุผลว่าทำไมต้องหยุดเพราะว่าความอยากมันเป็นเหมือนเชื้อโรค ไปติดเชื้อโรคเอสดมันดีไหมถ้าถ้าลองรู้เรื่องต้องไปติดเชื้อโรคเอสดนี่เราจะไปไหยถ้าไปนอนกับแฟนแล้วต้องติดเชื้อโรคเอสดนี่เราจะนอนกับแฟนไหมไม่เอาดีกว่าในชะ่ไหมความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขที่ได้จากนอนกับแฟนแล้วต้องเอาเชื่อเอ็ดเข้ามาอย่างนี้เอาป่ะที่เราไม่รู้ว่าเขามีรู้เปล่าสิาไม่รู้เหมือนกันเลยพอมันติดขึ้นมาก็เสียใจเดือดร้อน อก็คิดว่าเป็นกรรมไปความจริงคิดว่ามันโง่ามากกว่าเพราะมันอยากไไม่มีปัญญาถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่ามีโอกาสแล้วต้องเตะแล้วเราไปเสี่ยงทําไมล่ะ่ถ้้าาเป็นหนหทีใครบอกว่าเป็นหน้าที่ล่ะภรรยาเป็นแม่ก็อย่าไปเป็นภรรยาเอยก็อย่าแล้วก็ ก็อยากมันเป็นโสดก็ได้ไม่ต้องนักงหัว ก, ก็ได้อกรอยาอะไรก็ได้เนี่ยหน้าที่นี้ค้าบังคับให้เราต้องเป็นออะอแล้วความอยากของเราบังคับเราเองนะฮ ค, ความอยากความโงภของเรามันหลอกเราว่าเป็นหน้าที่ออบอกว่าเราต้องมีคู่ครองเป็นมนุษย์ต้องมีคู่ครอง ถ้าไม่มีกู่ขรองแล้วเหมือนกับเป็นของแปลกไปความโง่มันจะหลอกให้เราคิดอย่างนี้ตัวตัวตัวรู้ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังโง่อยู่ต้องมาฟังธรรมถึงจะฉลาดาลฟังธรรมเราจะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เห็นว่าอะไรเป็นสุข อันนี้เราเห็นกับตาลปัดเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นภรรยาแล้วจะมีจะมีความสุข<ช>แล้วสุขก็เ่า <c oughs> พอเป็นภรรยาจริงๆแล้วเป็นไงสุขอย่างเดียวแล้วมีทุกข์มาถามมาด้วยตอนตอ น, ตอนที่สมัยวัยรุ่นนี้ทุกข์มากเลยค่ะการเป็นภรรยาแต่พอด้วยวัยวัยที่ตัวปัญญาเดินอก็พิจารณา พอรักเป็นแล้วมันจะพบว่าสุขทุกข์เป็นของคู่กันแต่ถ้าก่อ้วัยรุ่นเราจะสูญอย่างเดียวจะเอาสูญอย่างเดียวกลายเป็นคิดทิ้ทุกข์อะค่ะอันนี้ยอมรับทุกข์ได้นะยอมรับแล้วค่ะอยู่กับทุกงเว้นทุกข์เลยนะอย่างนั้ก็ดีถ้าอยู่กับทุกข์ได้ก็ก็ไม่เดือดร้อนต่อไปมันจะมีทุกข์อีกหลายอย่างตามมาถ้าอยู่กับมันไ้ได้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ทุกข์กับการพัดภาคจากกันถ้าอยู่กับมันได้ก็จะไม่ทุกข์ปัญหาของคนเราที่ทุกข์ก็เพราะอยู่กับมันไม่ได้ถามคุโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือยังหรือยังอยากจะหนีมันอยากจะให้มันหายอแต่อยากจะให้มันหายก็ทุกข์หรือถ้ากลัวมันจะตายก็ทุกข์แต่ถ้าอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์ วิธีจะอยู่กับมันได้ก็ทําใจเฉยๆอย่าไปอยากไม่คิดตัวไม่ถูกใช่ไหมคะอาจารย์น่าละนี่จะหยุดมันได้ล่าอเปล่ามันชอบคิดน่ะคิดทั้งวันทั้งคืนแล้วเราต้งมาฝึกต้องเพิ่มกลาลังด้วยพุทโธอ่ะมาฝึกสติบ่อยๆพยายามใช้พุทโธเวลาที่มันคิดหยุดมันยกเว้นเวลาเราต้องคิดกับงานการที่จําเป็นก็คิดไปเช่นทํางานต้องคิดบัญชีคิดอะไรก็ ต้องคิดไปแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับไม่คิดถ้าไม่ทำงานได้ยิ่งดีอ่ยเพราะเวลาไม่คิดมันถึงจะมีความสุขเพียง<ะ>แต่ว่าเวลาคิดแล้วเราคิดในเรื่องงานการมันก็ไม่ไม่ทาให้เราทุกข์เท่านั้นเองแต่มันยังไม่สุขมันจะสุขก็ตามเมื่อมันหยุดคิดหยุดพอมันหยุดคิดหยุดความอยากมันก็จะหยุดตามแล้วความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นมา วิธีจะหยุดคิดยุดให้มันหยุดเต็มที่นี่ต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปอย่าให้มันไปคิดอะไรแล้วพอมันไม่คิดสักพักเดี๋ยวมันก็รวมนิ่งสงบแล้วใจก็จะเบามีความสุขขึ้นมนาะตอนนั้นร่างกายจะเจ็บปวดอย่างไรมันก็จะไม่เดือดร้อนมันจะอยู่กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ นี่คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงหาโดยการหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาสติก็พุโทโธพุโทโธไปปัญญาก็คอยสอนใจว่าเวลาอยากได้อนะไรเนืเรากำลังหาอยากได้ความทุกข์กันแต่ความหลงมันจะบอกว่ามันเป็นความสุขมันสุขต้นเนยแต่มันทุกข์ปลายเป็นเหมือนอยาขมเกิือบน้าตาลหวานใหม่ใหม พอน้ำตาลหมดนี่ยขมหวานนมขมเกินเวลาได้นั่งกายมาใหม่ๆดีใจมีแต่เจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆยแต่พอพอเข้าวัยกลางคนเริ่มแก่แล้วสิทีนี้มันเริ่มทุกข์แล้วสิเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เริ่มตายกัน เรามองไม่เห็นว่ามันทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมและเหตุที่ทำให้เราต้องมาเจอไอ้ของพวกนี้ก็คือความอยากของเรานั่นเองพเราไปเห็นมันว่ามันเห็นตอนต้นเราไม่เห็นตอนปลายเห็นตอนที่มันสุขแต่ไม่เห็นตอนที่มันทุกเวลาแต่งงานกันไปดูเขาจั่งงานแต่งงานกันโอ้ตัดเค้กตัดอะไรกันจูบ ก, กัน เวลาเดี๋ยวสักหกเดือนเดี๋ยวทะเลาะ ก, กันแล้วเนี่ยบ้านจะแตกสาแหลกจะขาดเนี่ยมองไม่เห็นกันเลยครับตอนต้นนี่มันเหมือนเหตุไหมคบตอนปลายคือผลไม่มันคืออันนี้มัอนจะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุมันเป็นขั้นตอนของมันมันไม่ได้เป็นเหตุจะว่าเป็นเหตุก็ได้ว่าเหตุว่าสุขนี้จะทาให้เกิดทุกข์ก็ได้เช่นการเกิดนี่เป็นเหตุทําให้แก่เจ็บตายเนี่ยไดย้ถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าไม่แต่งงานก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาหยากันแต่ทําไมวัฒนจักรโรควัฒนจักรโรกอะ่ะให้เราค่อยๆเรียนรู้โดยที่ไม่ได้ให้เราตื่นตั้งแต่เราเราตื่นก็ไม่ไ<ต>ไมีมใครสอนเนี่ยไปสอนเรื่องอื่นสอนให้งโง่กันไม่ได้สอนให้ฉลาดกันออสอนให้หาเงินสอนให้หาแฟนกันแฟนพ่อแม่ก็สอนคือคือโรคใบนี้สอนให้ร่ำรวยคือไม่ใช่สอนให้จิตวิญญาณจะเกิดไม่สอนว่าเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ได้สอนว่าเดี๋ยวเงินทางที่หามานี้ก็ต้องหมดมันก็เลยหากันเป็นบ้าเป็นบอหากันเป็นเป็นหมือนล้านแสนล้านแล้วมาไปใช้ได้ยังไงคุณมีเงินหมื่นล้านแสนล้านคุณเอาไปใช้ได้ไหมจะไปใช้อะไรอ่ะถ้าไม่ไปทำบุญมันจะไปใช้อะไรไ ด, ได้ซื้ออะไรคือมันจะสูนย์แต่ถ้าทำบุญมันเป็นอริยทรัพย์ที่ตามเราไปอ่านั่นแหะไม่มีใครสอนไง มีสอนแต่ให้โง่มากขึ้นไม่สอนว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปหามันมามากอย่ามาเกิดเกิดแล้วมันทุกข์มีอย่ามีร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมเราต้องมีร่างกายเพราะเราอยากใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวใช่ไหมอยากดูก็ต้องมีตายอยากฟังก็ต้องมีหูอยากดมน้ำหอมก็ต้องมีจมูกอยากลิมรสขนมก็ต้องมีดิน เราเลยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายพวกวิญญาณเขาถึงหยาดได้กายอยา่ใช่อี่แหละเมื่อก่อนเราก็เป็นวิญญาณเนี่ยพอร่างกายตายไปแล้วก็ก็เป็นวิญญาณเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากอยู่พออยากพอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายต่อไปตอนนี้ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่เดือดร้อนทางคนที่ก็เจ็บดูทางเขเดือดร้อน <c oughs> นะเอ ไม่เดือดร้อนเนี่ยอ่าดีอ่านั่ง ค, คิดได้นะอ่าสอนออ่าถ้าไม่มีใครสอนก็ทุกคนเน่ยเพราะอยากจะให้มันหายอย่างเดียวอยากจะให้มันแข็งแรงอย่างเดียวไม่อยอมหรอกนะอ่น า, น, น, น, าอนั่นแหละมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนรถคันหนึ่งเป็นเหมือนคนรับใช้เราก็ได้เนี่ยเราใช้ร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวยังไหมก็ได้ยินคํานี้ไห ม, ใ, ไมใจเป็นนายกายเป็นบ่าว อันนี้ความจริงไม่ได้พูดเล่นแต่เราอาจจะคิดว่าเป็นพูดคำพูดเล่นๆแต่มั น, มนเป็นความพูดความจริงใจเราเนี่ยเป็นคนใช้ร่างกายสั่งให้มันไปไหนมาไ ห, หนทำนู่นทำนี่อยากจะมาที่นี่ก็ต้องสั่งมันมาก่อนไม่ใช่เลยต้องคิดก่อ น, นี่าวันนี้จะมาที่นี่แล้วก็สั่งให้ร่างกายเดินมาออกเดินทางมาที่นี่ร่างกายมันเป็นเพียงคนรับใช้เราแต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอร่างกายเป็นแล้วเราก็คิดว่าจะเป็นอะไรไปกับมัน คัาจริงเราไม่มีวันตายคนสั่งไม่มีวันตายใจไม่มีวันตายเราไม่มีร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่แต่สักวันหนึ่งอาจจะเบื่อก็ได้าเห็นว่ามีร่างกายแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ก็อาจจะเบื่อเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เบื่อเลยหาวิธีอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายหาก็คนพบว่า ถ้ามีสติมีปัญญาก็สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายแทนที่จะพึ่งร่างกาย้าให้เพื่อพึ่งสติปัญญาแทนสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาพวกเราตอนนี้มีสติปัญญาน้อยสู้กสู้ความโง่ไม่ได้ความโง่มันมากกว่ามีกำลังมากกว่ามันยังหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันอยู่ เราต้องสร้างสติสร้างปัญญาให้มากขึ้นกําลังสติก็สู้ความอยากไม่ได้ปัญญากําลังของปัญญาก็สู้ความหลงไม่ได้ความอยากกับความหลงนี่เป็นคู่คู่ต่อสู้ของสติและปัญญาสตินี้ถ้ามีกําลังมากกว่าก็จะหยุดความอยากได้ปัญญาถ้ามีกําลังมากกว่าก็จะหายหลงปัญญาน้อยกว่าก็ยังหลงอยู่ ยังหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากไปทุกข์กับมันอยู่มีอะไรก็ต้องทุกข Morrison? ์กับสิ่งนั้นเชื่อไหมมีรถก็ต้องทุกข์กับรถมีบ้านก็ต้องทุกข์กับบ้านมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีเงินทองก็ต้องทุกข์กับเงินทองมีร่างกายก็ต้องทุกกับร่างกายถ้าไม่มี้วสบายกว่า จะมีได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาท่านถึงจะอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านอยู่แบบไม่มีอะไรตอนนี้ท่านก็ยังอยู่วิญญาณท่านก็ยังมีอยู่ดวงวิญญาณท่านก็ไม่ได้หายไปไหนเแต่วิญญาณท่านไม่เอาแล้วไม่ต้องการร่างกายแล้วไม่ต้องการราบยศสารเสริอแล้วไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรดแล้วอัน<ะ>นั้นเพราะท่านไม่ท่านท่านหยุดความอยากได้อยู่กับความว่างได้อยู่กับ อยู่กับการไม่มีอะไรได้นิพพานไม่ใช่ความว่างนิพพานคือจิตที่ไม่มีความอยากจิตที่อยู่กับความว่างได้จิตที่ว่างจากความอยากเหมือนเสื้อผ้าที่เราไปซักมันว่างจากความสกกรปบใช่ไเวลาเราซักเสื้อผ้านี้คราบสกกระปบก็หายไปหมดก็เราก็เรียกว่าว่างจากคราบสกกระปบเวลาเราใช้สติปัญญาชำระใจใจก็ว่างจาก กิเลสตัณหาความโลภความอยากความหลงต่างๆอยู่กับความว่างได้อยู่กับไม่ต้องการมีอะไรไม่ต้องมีอะไรให้มาให้ความสุขความสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรกะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขกับเรามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ใช่มั้ยไม่มีดีกว่าไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์กับเรื่องเงนินไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟน ไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกกับลูกต่อไปถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกกับร่างกาย<ๆ>เพราะจะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตาย<ๆ>ตอนนี้มีร่างกายก็เตรียมตัวเลยจนปฏิทินไว้ว่ามีนัดกับเขาแล้วมีวันแก่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยมีวันตาย<ๆ><ๆ>เราจะไปไปพบกับเขาในวันนัดได้หรือเปล่า เราจะไปแบบสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนได้หรือเปล่าก็อยู่ที่สติปัญญาของเราถ้ามีสติกําลังมากกว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะเรายังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่นั้นพยายามฝึกสติให้มากให้มันมีกําลังมากกว่าความอยากแล้วพอมันอยากแก่แล้วก็หยุดมันอยากเจ็บอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หยุดมันอยากไม่ตายก็หยุดมัน ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปเราก็จะแก่เจ็บตายโดยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเฉยๆทำใจได้ตัวที่ให้เราทำใจก็คือสติตัวที่สอนใจให้เราทำใจก็คือปัญญาว่าเราต้องปล่อยวางทุกอย่างทุกทุกอย่างมันเป็นทุกอย่าไปยึดอย่าไปติดมันถึงเวลามันจะไปให้มันไปแอนขออยากก็ให้ก็อยาวไป ขโมยมาขโมยเงินก็ให้มันไปทํางานมันขโมยไปแล้วจะให้มันรู้ไม่ให้มันมันก็ไปแล้วถ้าไปอยากได้คืนก็ทุกข์นะแต่ถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญก็สุขนะอ่าก็คิดว่าเป็นการทําบุญไปอยู่ที่เราคิดเนี่ยเงินก้อนเดียวกันเนี่ยเสียไปเนี่ยเสียแบบสุขก็ได้เสียแบบทุกข์ก็ได้อย่างวันนี้เอาเงินมาให้ที่นี่ยสุขไหมเพราะอยากจะให้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดํารมาขโมยเงินก้อนนี้ไปแล้วสุขแล้วทุกข์ก็เงินเหมือนกันเงินที่จะต้องเสียเหมือนกันแต่ถ้าเสียด้วยความยินดีไม่ไม่ทุกข์แต่ถ้าเสียด้ว ย, ยความไม่ยินดีนี่ทุกข์นะเวลาทุกข์กับวะายก็เปลี่ยนใจเราสิแสดงว่าเราไม่ยินดีเราต้องยินดีนะยินดีให้มันเกิดเราเราไม่สบายใจเพราะเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เปลี่ยนใจยินดีซนะ กินดีก็ดีใจวันนี้ไม่สบายนานๆจะเจอมันสักทีนึ่งแต่ไล้เปรี่ยมรสชาติอันนี้จะได้ไม่ต้องไปทำงานนอนอยู่กับบ้านพักผ่อนอก็มีความสุขได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ตัวอย่างมีความสุขได้ถ้าเรารู้จกักคิดใจเราการคิดใจก็เรียกว่าการทำใจปัญญาด้วยแล้วก็สติด้วยถ้าไม่มีสติมันก็พลิกไม่ไหว มันก็ยังอยากจะหายอยากจะไม่เจ็บอยู่นั่นแหะแต่ถ้าเรามีสติหยุดความอยากได้มันก็จะหยุดความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีพอมันอยากจะหายก็พูดโพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอมันนิ่งมันก็หายทุกข์นี่คือเรื่องราวต่างๆเรื่องของใจเรื่องของของความสุขความทุกข์ เรื่องของการวิธีกาจัดความทุกข์เรื่องของวิธีที่เราจะพบกับความสุขที่แท้จริงถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนเราเราจะต้องหาแต่ความทุกข์กันหาสุขปลอมกันหาสุขต้นแล้วก็ทุกข์ตอนปลายกันสุขก่อนแล้วก็ทุกข์ทุกข์ตามมาบางคนเมื่อข้ายังไม่ทันดำก็ทุกข์แล้วแต่งานกันไม่กี่เดือนก็ทุกข์แล้ว เพราะมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรไม่เคยคิดว่าคนจะพิษหน้ามือเป็นหลังมือได้ยังไงตอนนี้โอ้โหตอนพบกันใหม่ๆนัดกันเหมือนเกินจะกินกันพอแต่งงานกันปั๊บกลายเป็นอีกคนอนึางไปล้เคยเอาอเอาใจเราอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาใจเขาอย่างเดียวเลยพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของปลอม ถ้าเรารู้ว่าเงินที่เขาปเบปบบิกที่ธนาคารแล้วเป็นเงินแบงก์เก้เราจะเอากะไม่เอาใช่ไหมว่าไปเดี๋ยวไปซื้อของไม่ได้<ม>แต่เราไม่รู้กันมันเป็นแบงก์เก้เราก็เอามามทุกอย่างของสมมุติใช่ไหมคะของปลอม <c oughs> ไม่สมมุติ <c oughs> ของปลอมอ <c oughs> ไม่ใช่ของของไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง <c oughs> มันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้เร้วมีปัญญา<ม>เพราะพระพุทธาบอกสัพเพสังขาราทุกขาเนี่ยของทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันเป็นสัพเพสังขาราอันิจะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ควบคุมบังคับอันนันเที่ยงไม่ได้ ถ้าอยากจะมีปัญญาให้มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นอนิจจังชั่วข่าวพอมันหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นอนัตตาก็ห้ามมันห้ามมันให้มันหมดไม่ได้ของมันจะต้องหมดก็หมดเฮ้ไม่ดื่มกาแฟยังหมดเลยใช่ไ ม, ไมแต่เราดื่มกาแฟก็สุขเนี่ยพอกาแฟหมดก็ทุกข์เนย ถ้าไม่ให้มันไม่หมดไปได้ต้องสติกำลังมากพอนถึงจะพิจารณาและเห็นเป็นอนันจังครั้งหนึก็น่ารักก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดแต่คิดแตน่นิจจังสุ ข, ขังนาตาเห็นอะไรก็สุขไปหมดดีไปหมด mm hmm. มก็ต้องหยุดความคิดแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะมอ ง, มองความจริงได้ mm hmm. เพราะถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบนี่มันยังมีอารมณ์ครอบงำอยู่อคติเห็นอะไร ถ้ารักอะไรแล้วมันจะเห็นว่าดีอย่างเดียวจะไม่เห็นว่ามันไม่ดีถ้าชังแล้วก็เห็นว่ามันไม่ดีอย่างเดียวเห็นความไม่เห็นความดีแต่ความจริงทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีปนกันไปเมื่อก่อนเนี้ยเราคุกเพราะว่ามองชีวิตด้านเดียวสุดโต่งในความคิดนะคะ<อ>แต่พอพอเวลาแล้วก็วัยด้วยอายุเลยทำให้การมองโลกของเรามันเป็นตรงกันขามว่ามันจะเจอค่ากลางนะคะ ก็ไม่ด้ดีอย่างเดียวไม่ช่วอย่างเดียวอการไปมองโลกแบบกลางๆก็เลยพบสุขมีจิตทุกอย่างก็ไม่สุขอย่างเดียวก็มีทุกข์ด้วยออก็ต้องยอมรับถ้ายังอยากจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องยอมรับทั้งสองด้านเหมือนเหรียญเหรียญมีทั้งหัวทั้งก้อยเราโยนขึ้นไปเนี่ยบางทีมันก็ลงมาเป็นหัวบางทีก็ลงมาเป็นก้อยราบยศสารแสนสุขก็แบบเดียวกัน มีเจริญก็มีเสื่อมแต่เมื่อก่อนไม่ใช่นะเวลาทํางานก็ต้องเป็นวิธีที่ต้องเป็นต้องเจริญอย่างเดียวต้องได้อย่างเดียวต้องได้ตามใจอยากอย่างเดียวอทุกอย่างเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋นี้ไม่ถูกแล้วอันนี้ก็บายต้องสุขก็สุขเต็มที่เหมือนเรารับเต็มที่แล้วติดติไม่มีอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสุขแล้วเวลาเราเจอทุกข์สุดๆมันก็เลยแบบอืม ปัญญาเกิดปัญญาเกิดทันทอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยอมรับความทุกข์ได้ทุกข์ก็ยอมรับเพราะว่ามันเหมือนดินฟ้ากับมีน้ําท่วมรรมีธรรมชาติธรรมชาติถ้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้จะไปเอาสุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเรายอมรับทุกข์ได้มันก็พอจะอยู่กันได้แต่ก็ยังไม่ยอมรับเต็มที่นะเวลาทุกข์ก็ยังอึดอัดยังเมื่อยยังเศร้าเศร้ า, าอยู่แต่มันก็วางลงเร็วอะค่ะ มันไม่นิ่งเต็มที่ถ้ามันนิ่งเต็มที่ถ้าถ้ามันหยุดอยากได้เต็มที่มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้มันยังรู้สึกอยู่ ย, ยังรู้สึกว่ามาแต่รู้รู้ได้ยังไงรู้เพราะว่าใจเราก็ไม่ใครบอกใครก็พิจารณาว่านักบวชเขา เขามีเวลาที่จะสร้างสติมากกว่าเขาหยุดจิตได้เต็มร้อยเราถึงแม้จะรู้ว่าต้องหยุดแต่ก็ยังหยุดไม่ได้เต็มร้อยถึงเวลาเจอทุกข์ก็ยังอยากจะให้มันหายอยู่ะเวลาไปบวชกรรมฐานเจ็ดวันเนี้ยเวลาออกมาเหมือนกําลังเรเต็แล้วใช่ไหมพอพอไปอยู่สักเดือนหนึ่งโอ้โหอ่อนหมดเลยใช่บอนั่นแหละถึงต้องไปบ่อยๆแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องอยู่ที่บ้านก็ต้องเพิ่มกาลังไปบ่อยๆหรือว่าให้อยู่เลยเข้าใจก็อยู่เลยยิ่ดี คนจะหลายขาก็อยู่เลยคนกงก็ยังเข้าเข้าออกๆอยู่ก็มโนทนากับกับกับผู้ปฏิบัติที่เขาได้อยู่เลยเวลากระสืวนบพรอยงนี้ค่ะก็มโนทนากับได้ดีวันนั้นก็สรุปได้แล้วว่าต้องไปปฏิบัติถึงจะได้สติถึงได้ปัญญาอยู่อยู่ที่บ้านมันยากแล้วไม่ค่อยมีใครคอยเตือนคอยสอน เดี๋ยวก็ลืมอเดี๋ยวขอให้มีคําถามทางบ้านเข้ามาไหมเอาสักสักพักหนึ่งเพราะเดี๋ยวจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอ้าอาจารย์หนูอยากรู้เรื่องว่าคนที่มีกรรมแล้วสามารถออกกได้ไหมคนเราทุกคนมีกรรมน่ะแล้วก็หนีกรรมไม่พ้นมีกรรมเป็นของของเราต้องรับผลของมันเรารับฟีดเขาจะทำอะไรออกกรรมแล้วอะไรตื่นไม่จริงหรอกมันอไม่จริงหรอกเขาไปออกเขาไปห้ามกรรมใหม่ เป็นไปอยู่วัดไปนั่งสมาธินี่ไปหยุดกรรมกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่ากรรมเก่าทําไปแล้วกรรมนี่เป็นเหมือนหนี้เงินที่เราไปยืมเขาเนี่ยไปยืมเงินเขาแล้วนี่จะอยู่ดีๆบอกจะให้เขายกหนี้ให้เราไม่ได้หรอกก็ต้องใช้หนี้แต่ลราอย่าไปสร้างหนี้ใหม่ที่ให้ไปนั่งสมาธิก็เพื่อให้หยุดหยุดสร้างหนี้เขาหยุดกรรมแล้เขาหยุดกรรมใหม่ไม่ใช่หยุดกรรมเก่ากรรมเก่าที่ทําไปแล้วต้องใช้ มันจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ถึงเวลาก็ต้องใช้มันแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างกรรมใหม่แล้วถ้าเราไม่สร้างเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมใหม่แต่คนไม่เข้าใจเขาคิดว่าไปหยุดกรรมเก่ากันฆ่าเขาแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้ว <c oughs> อา่ <c oughs> อาแต่ออถ้าจะคิดจะฆ่าใครเนี่ยให้รีบไปนั่งสมาธิเอียมันจะได้ไม่ไปฆ่าเขาแล้วมันจะได้ไม่ไปสร้างกรรมใหม่ะ ที่จะประคำโวยเงินใครก็อย่าไปนั่งสมาธิเสียมันจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่สร้างแล้วนี้มันต้องใช้นี่เขาไม่ชา้าก็เร็วตำรวจตามจับได้ก็จับไปติดคุกติดตารางแล้วไม่พอตายไปยังต้องไปเกิดในอบายกลับนเกิดมาอาจจะต้องมาให้ก้าฆ่าเราอีกก็ได้เราไปฆ่าใครเดือนต่อไปแล้วก็ต้องกลับมาให้ก้าฆ่าเราไม่ชาตินี้ถูกก้าฆ่าก็ชาติหน้ากลับมาใหม่ เดี๋ยวก็ต้องถูกฆ่าเพราะถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วเขาก็ต้องมาฆ่าเราอันนี้เป็นของที่เราลบล้างไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าเราก็จะไม่มีคนมาตามฆ่าเราต่อไปนั้นให้หยุดกรรมใหม่ต่อไป น, นี้อย่าไปทาบาปเราต่อไปมันจะไม่มีไม่มีผลของบาปที่เราจะต้องไปใช้นอกจากของเก่า หรือถ้าเราไปนิพพานได้ก็ไม่ต้องมาใช้เลยอย่างอมคุี้มานีฆ่าคนต้อง999คนพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้หยุดทุกอย่างหยุดความอยากหยุดความโลภโกรธลงพอหยุดได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็ไม่มีใครจะมาตามฆ่าเราได้เพราะเราไม่มีร่างกายให้เขาฆ่าไม่มีร่างกายให้เขามาทาร้ายเราอ่าถ้าถ้าอยากจะตัดกรรมไม่ ถ้าอยากจะทำลายกรรมเก่าให้หมดก็ต้องไปบวชแล้วก็ไปบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ได้ไดแล้วอย่างน้อยถ้าเป็นพระโสดาบันก็ถ้าได้เป็นโสดาบันก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายทำบาปหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรต เ, เป็นเดรัจฉานเป็นผีแต่ถ้ า, ายังก็มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วยังอาจจะถูกเขาฆ่าได้เพราะยังมีร่างกายอย่พระ อโมคลานะนี่เป็นพระอรหันทร์ถูกเขาฆ่าเพราะยังไม่ตายยังมีร่างกา ย, ยคนที่เขาตามร้างตามผานเขาตามมาทานนันเข้าอย่างไรสุดท้ว่าเข้าย่งไรสุดท้ า, าว่าถ้าเป็นพระอนทร์อ่ า, าก็ก็ไม่ต้องมาเกิดไม่มีร่างกายให้ก็ามาทำลายอระจายนะมีคําถามเข้ามา h o a n w e l o m a r e y o a u s h a r a n from Sri Lanka. Nice to see Ajan online and wish all good health. These days we're in Australia with family members. Uh -huh. Okay, hope you have a good holiday. Enjoy your New Year vacation. ไม่อารมณ์คืออาหารของใจนี่ถามคงถามไม่ถูกเลอารมณ์เนี่ยเป็นอาหารของใจเราชอบเสพอารมณ์กันอารมณ์ดีนี่ชอบถ้าอารมณ์บูดเบี้ยก็เหมือนกินอาหารกินอาหารเป็นบูดก็ไม่ชอบแต่บางทีเราเลือกอารมณ์ไม่ได้เราไม่รู้จักสร้างอารมณ์ดีเราเราสร้างเราชอบสร้างแต่อารมณ์ไม่ดีกันพอเราอยากแล้วไม่ได้ตั้งใจอยากก็อารมณ์เสียแล้วเนี่ยบูดเบี้ยขึ้นมาแล้ว สั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวข้าวผัดมาให้นี่ก็อารมณ์บูนนะถ้าอยากจะให้อารมณ์ดีก็ยินดีตามมีตามเกิดสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวข้าวผัดมาให้อ๋อวันนี้ต้องถึงเวลาต้อกินข้าวผัดแล้วกินก็ข้าวผัดก็ข้าวผัดวะมันก็จะไม่อารมณ์เสียเยเราเสพอารมณ์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ยินเสียงก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเราไม่เสพอารมณ์คือความสงบเนี่ ถ้าเสพความสงบได้แล้วเราจะไม่เสียมีแต่อารมณ์ดีไปตลอดถ้าใจสงบแล้วใจจะมีอารมณ์ดีไปตลอดแต่ถ้ายังไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันยังต้องมีมีดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเดี๋ยวก็ต้องสุขบ้างเดี๋ยวก็ต้องทุกข์บ้างคำถามข้อต่อไปจะคุณประภัยศรีค่ะหลวงพ่อคะเวลานั่งสมาธิพะพุพโทโธ ลมหายใจหายไปแล้วจะว่างๆแล้วยมควรจะกำหนดอยู่อย่างไรต่อไปคะก็ให้มันว่างต่อไปพุทโธต่อไปอย่าหยุดอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันไม่คิดก็ดูมันเฉยๆก็ได้ดูความว่างไปแต่ถ้าพอมันพอมันคิดหรือพอมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้รีบกลับมาหาพุทโธต่อไปอย่าไปตามเห็นอะไรเดี๋ยวเกิดเหนนู่นเห็นนี่ไปตามเห็นนั่นเดี๋ยวมันจะหลงได้หลงทาง เราต้องการให้จิตว่างจิตนิ่งจิตสงบถ้ามันว่างมันนิ่งมันสงบก็ประคองมันไว้อย่าให้มันหมดถ้ามันจะไม่ว่างก็ใช้พุโทโธต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณสาวค่ะคือมีความทุกข์ใจเรื่องทำลูกหมาตายยกข้อเก้าตัวสาเหตุมาจากพี่ฉันเอายาแก้เห็บหมัดให้เขากินตอนท้องเพราะเจ้าของร้านขายยาบอกว่ากินได้ดิฉันคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ผลสุดท้ายคือ ลูกหมาคลอดมาแล้วตายหมดเพราะตัวดิฉันแทๆ้ๆดิฉันเสียใจมากแต่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเป็นแบบนี้ดิฉันจะบาปไหมคะดิฉันสามารถจะทำอะไรทดแทนบาปนี้ให้บรรเทาลงอย่างได้บ้างไหมคะรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะลูกหมาตายเพราะดิฉันแทๆ้ๆ อ, อ๋อมันไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีเจตนาบาปต้องมีความตั้งใจที่จะไปฆ่าเขาแล้วก็ทาให้เขาตายถึงจะเป็นบาปขึ้นมา งัเราไม่ต้องมเราไม่ต้องไปใช้บาปความไม่สบายใจของเราเกิดจากความไม่เข้าใจเกิดจากความอยากความกลัวบาปงั้นก็ให้รู้ว่ามันไม่บาปมันไม่มีผลอะไรแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ตอนนี้เขาเป็นดวงวิญญาณอยู่เขาอาจจะไม่มีบุญเขาอาจจะรอรับส่วนบุญของเราเราก็ทำบุญไปทำบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้เขาได้ คําถามจากคุณโดมค่ะตอนนี้ผมโดนพระเขมรใช้วิชาเบียดเบียนผมอยู่เพราะอาจารย์พอช่เหลือหรือแนะนําให้ผมไปหาพระที่ช่วผม <c oughs> ให้ค้นจัดทุกได้ไหมครับขอพระคุณเจ้าแม่ตาผมด้วยเถอะครับเอาก็ <c oughs> อย่าไปหาเขาสิถ้าเขาเบียดเบียนเราแล้วก็อย่าไปก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วนี้คําถามจากคุณพาณีค่ะพระอาจารย์คะถ้าเราเกิดความกลัวมากๆขึ้นมาในใจเราจะต้องแก้อ ย, อย่างไรคะ ก็มีสองวิธีวิธีง่ายก็คือพุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวพอเราอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วความกลัวมันก็จะหายไปเพราะเราลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัววิธีที่สองถ้าถ้าเราต้องการให้มันหายกลัวอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าอย่างมากก็ตายร่างกายเราอย่างไงมันก็ต้องตายอยู่ดี ไอสิ่งที่ทําให้เรากลัวนี้มันจะทําให้เราได้อย่างมากก็แค่ทําให้เราตายเท่านั้นแล้วเราไงาก็ต้องตายอยู่ดีดีไม่พ้นความตายถ้ามันถึงเวลาจะต้องตายก็ยอมตายเซะถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะหายกลัวตลอดต่อไปมันจะไม่กลัวอะไรที่กลัวก็กลัวความตายนี่แหละกลัวสิ่งต่างๆกลัวอะไรพื่กลัวมันจะมาทําให้เราตายหรือทําให้เราเดือดร้อนเท่านั้นเอ ถ้าเรายอมรับ ว, ว่ามันต้องเรามันต้องตายมันต้องเดือดร้อนมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเรายอมรับมันสักอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาทำให้เรากลัวได้คำถามต่อไปจากคุณเพ็ญจันทร์ค่ะการพิจารณาการเกิดดับของรูปนามเราพิจารณาเมื่อกออกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ไหมจ๊ะคะใช่เวลานั่งสมาธินี่เราพิจารณาไม่ได้เพราะเราต้องการพักความคิดนี่ยนั่งสมาธิเือหยุดคิด ก็จะได้ให้ใจเบาใจสุขใจสบายพอใจออกจากสมาธิแล้วเนี่ยพอเริ่มคิดก็เอามาคิดทางปัญญาคำ ถ, ถามจากคุณสมทรงค่ะจําเพนหมครับต้องนุ่งขาวผมขาวแต่ใจยังเจริญอยู่ได้บุญไหมครับเออเรื่องนุ่งขาวผมขาวนี่มันแล้วแต่สถานที่ถ้าเราไปอยู่สถานที่ที่เขาให้นุ่งขาวผมขาวแล้วก็นุ่งไป แต่ถ้าเราอยู่บ้านของเรานี่เราปฏิบัติทําได้โดยไม่ต้องนุ่งขาวหมขาวก็ได้คำถานจากคุณชานีแาบของเมตตาพระอาจารย์ค่ะขอเรียนถามว่าถ้าจิตนี้มีความอาฆาตแค้นโกรธอิจฉาริษยาแล้วควรใช้กรรมฐานเมตตาทําแบบไหนหรือคะเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเกิดอาการแบบนี้ค่ะ เ, ออเวลานั่งสมาธิก็ต้องพยายามใช้สติหยุดมันค่ะ พยายามให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปมันเกิดอาการเหล่านี้ก็อย่าไปสนใจให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลามันลืมมันไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆมันก็จะจะหายไปที่มันเกิดเพราะเราไปคิดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยทําให้เกิดอาการโกรธเกลียดขึ้นมาอันนี้เป็นวิธถ้าร น, นั่งสมาธิก็ต้องให้มีอะไรกํากับใจกํากับความคิดอย่าให้มันคิด แล้วจิตจะได้สงบจะได้เย็นสบายแต่ถ้าเร า, เ อ, าออกจากสมาธิแล้วเราก็สามารถใช้สติต่อก็ได้ถ้ามันยังโกรธเกลียดอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปต่อก็ได้หรือถ้าเราจะใช้ใช้ปัญญาใช้เมตตาก็ได้วิธีใช้เมตตาก็คือใครเขาทำอะไรเราเราก็ต้องให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันไมคิดว่าการจองเวร น, นี้จะทาให้มันวุ่นวายมากขึ้น ถ้าให้อภัยได้แล้วเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะสงบลงถ้าเขาดา่าเราเราไม่ไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเขาก็หยุดดา่าเราเองแต่ถ้าเขาด่าแล้วเราเรากลับไปด่าเขากลับเขาก็จะมาแรงกว่าเก่าอันนี้ก็คือวิธีให้อภัยยอมหยุดเย็นให้ใช้สูตรสามยอมยอมแพ้หยุดต่อสู้แล้วใจจะเย็นใที่ถ้าไม่ยอมแพ้มันจะต่อสู้แล้วใจจะร้อนยิ่งร้อนขึ้นมากๆ ยิ่งทวีคูณเขไปเพราะเขาก็จะร้อนกลับมาเขาจะแรงกลับมาเราก็จะแรงกลับขึ้นไปเดี๋ยวว่าฆ่ากันตายแต่ถ้าเราหยุดนะเขาอยากจะดา่าก็ปล่อยเขาด่าไปเราให้คิดแบบนี้ให้คิ ด, คดว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้เขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกัน ยังไงก็ต้องตายกันอยู่เลยอยู่ดีอยู่แล้วเกิดมาทุกคนไม่มีใครไม่ตายถ้าถึงเวลาจะให้มันตายให้มันตายแบบกำไรตายแบบหมดเวรหมดกรรมกันดีกว่าคิดอย่างนี้เราจะเฉยได้เราจะยอมหยุดเย็นได้ไม่ต่อสู้แเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเองไม่เชื่อลองไปสู้กับต้นเสานี่ดูลองไปด่าต้นเสาที่ดูลองมูไปต่อยต้นเสานี่ดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหนื่อยเองเดีวก็หยุดเอง คำถามจากคุณบอมค่ะสวดมนตเพียงอย่างเดียวจะมีสมาธิไหมครับจะมีสติถ้าสวดแบบไม่ไปคิดอะไรแต่ยังไม่มีสมาธิสมาธินี้ของเราหมายความว่าจิตนิ่งจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิไม่คิดไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวบางทีการรับรู้ทางร่างกายหายไปหมดร่างกายหายไปอย่างนี้จึงจเรียกว่าสมาธิ แต่ถ้ายังสวดไปอยู่สวดไปอยู่ยังนับรู้ยังคิดอยู่นี่ยังไม่เรียกว่าสมาธิเป็นการฝึกสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดถ้าสวดไปแล้วหยุดความคิดได้ก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นร่างกายจะไม่หายแต่จิตนิ่งเป็นอุเบกขาได้แล้วจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องต่างๆที่มาสัมผัสตางตาหูจมูกลิ้นกายจะเฉยไม่ลาคาญใจไม่ลาคาญ ได้ยินเสียงก็ไม่รำคาญเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รำคาญถ้าอย่างนี้ก็เป็นสมาธิได้แต่ระหว่างเวลาส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นกําลังกําลังจเจริญสติถ้าสติมีกําลังหยุดความคิดได้หยุดการสวดได้หยุดสวดปั๊บแล้ว น, นิ่งปั๊บนึาใจสงบสบายก็เรียกว่าสมาธิได้คําถามข้อต่อไปจากคุณทีชูค่ะกราบดีนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าพ่อแม่ต้องการให้เรามีครอบครัว เพื่อที่ท่านจะได้มีหลานให้เลี้ยงและสืบสกุลโดยแพ่อแม่ของเราถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่อีกทางหนึง่งแต่ตัวเราเองไม่ต้องการมีห่วงต้องการตัดกิเลสจากทางโลกให้มากที่สุดซึ่งทางนั้นจะทำให้พ่อแม่ทุกใจผลทางที่เหมาะสมและสมดุลในกรณีนี้ควรเป็นทางใดดีคะ อ, อ๋อการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่ดีที่สุดก็คือเลี้ยงดูท่านรับใช้ท่านเวลาท่านเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือกับท่านอันนี้สําคัญกว่าส่วนเรื่องการทําตามใจของเขานี่มันไม่ได้เป็นการตอบวิธีที่ตอบแทนที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดเพ่อแม่อยากให้เราไปเป็นโจรเราก็ต้องไปเป็นโจรถึงจะตอบแทนบุญคุณเขาได้ไม่ใช่ถ้าสิ่งที่เขาให้เราทํามันไม่ถูกไม่ต้องทํา ไม่ได้ถือว่าเป็นการอากตันอยู่แต่อย่างใดเพราะพุทธเจ้าถ้าทำตามพ่อก็ไม่ได้บวชเลยก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะใช่ไมอย่างนี้เรียกว่าพุทธเจ้าอากตันอยู่ว่าเปล่าไม่เพราะหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านกลัาสอนพ่อให้บรรลุ ต, ต่ออย่างนี้ไม่ดีกว่าถ้าพ่อแม่อยากให้เรามีครอบครัวเราบอกเราอยากจะไปบวชเราก็ไปไม่เสียหายมันเป็นชีวิตของเรา มันไม่เกี่ยวกับพ่อแม่การจะมีครอบครัวก็ไม่มีครอบครัวอความอยากของพ่อแม่อันนี้เป็นกิเลสอยากไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นเขาทําไมได้ไหอหอถ้าเราไม่เลี้ยงพ่อแม่อันนี้ถึงจะเรียกว่ากตันอยู่งั้นถ้าเขาให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกเราไม่ต้องทําำไม่ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายเขาจะทุกข์ก็เป็นกิเลสของเขาเราไม่ได้ไปทุบตีเขา คำถามจากคุณสายจิตค่ะขายบุหรีผิดศีลหรือเปล่าคะ อ, อ๋อบุหรีนี้มันก็เป็นเป็นสิทธค้าชนิดหนึ่งที่ถ้าไม่รู้จักบริโภคมันก็เป็นอันตรายได้ถ้าบริโภคมากเกินไปแต่ถ้าบริโภคพอสมควรวันละมวนสองมวนนี่มันก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่บาปไม่มีไม่ได้มีข้อห้ามทางศาสนาไม่ให้สูบบุหรี่หรือเคี้ยวมากเคี้ยวได้สูบได้ แต่ให้รู้จักประมาณเหมือนดื่มกาแฟเนี่ยดื่มมากมันก็ทำให้เกิดโทษขึ้นมาได้แต่ถ้าดื่มพอดีพอดีมันก็ไม่เกิดโทษมันก็ต้องรู้จักประมาณการบริโภคของต่างๆไม่เป็นบาปแต่อาจจะเป็นกิเลสคือติดแล้วก็จะเป็นทุกข์ได้ติดกาแฟพอไม่ได้ดื่มกาแฟก็ทุกข์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าดื่มแบบไม่ติดดื่มแบบไม่เป็นกิเลสก็มีพระอรหัน์นี้ท่านก็ดื่มกาแฟได้แต่ท่านไม่ดื่มด้วยความอยากดื่มมีใครชงมาให้ดื่มก็ดื่มเวลาไม่มีดื่มก็ไม่ถามหาอย่างนี้ก็ไม่เป็นกิเลสแต่ท่านดื่มแล้วต้องกคอยถามหาอยู่เรื่อยกาแฟอยู่ไหนกาแฟอยู่ไหนอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสแล้วแต่ท่านดื่มแล้วต้องทคอยถามหาอยู่เรืยกาแฟอยู่ไหนกาแฟอยู่ไหนอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสแล้วแต่ท่านดื่มแต้องทักคอามอยู่เรื่อยกาอย่ไอยไหนอยรียกวเลส ถ้าเดืมด่มหรือบริโภคโดยไม่มีความอยากนี่ไม่ไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเดือดด้วยความอยากนี่มันจะมีโทษเพราะมันจะทุกข์เวลาที่ไม่ได้ดืม่มเวลาอยากเดื่มแล้วไม่ได้เดืม่มคำถามข้อต่อไปจะคุณน้องนาค่ะทำอย่างไรคะเราจะชนะใจคนได้ค่ะอ๋อชนะไม่ได้หรอกใจคนนี่มันมันมีหลากหลายด้วยกันอ่ะก็ ต่อให้เราดีขนาดัหนถ้าก็ไม่ชอบเรามันก็ชนะเขาไม่ได้อยู่ดีอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปชนะผู้อื่นให้ชนะตนชนะตนแล้วสบายชนะผู้อื่นก็อาจจะเดือดร้อนเพราะอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะชนะชนะเขาไม่ได้อย่างชนะตัวเล้แล้วใจเราจะสงบชนะอะไรก็ชนะความโลภความโกรธความหลงชนะความอยากต่างๆ ถ้าชนะตัวนี้แล้วมันใจเราจะสงบเย็นสบายแต่ถ้าอยากไปใช้ชนะคนอื่นแล้วไม่ชนะนี่เราจะเสียใจเพาะงั้นอย่าไปหวังที่จะชนะใจคนอื่นแต่ก็มีธรรมที่ทำให้คนอื่นเขายอมรับเราก็ได้่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ชนะใจพวกเราเพราะว่าท่านทำสิ่งที่ทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเคารพในตัวท่านขึ้นมาได้ ยัถ้าอยากจะชนะใจผู้ก็ต้องชนะใจผู้ดนการทําความดีไปทำ ต, ตัวแล้วเป็นคนดีมีเมตตามีความอบอ้อมอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยตอนเนี้ปีใหม่ลองเอาเงินมาแจกอยูเลยเดี๋ยวก็ชนะใจคนเยอะแยะไปหมดหรือบางคนต้องวิ่งวิ่งจากใต้ไปเหนือ <c oughs> <c oughs> อันนี่ก็คือนวิธีชนะใจคนเนี่ยต้องทําความดีใช่ไหม ถึงจะชนะใจคนได้ถ้าไปทําอะไรทีเ่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรือทำบาปนี่ไม่มีใครเขาจะเขาอยากจะยุ่งกับเราหรอกใช่ไหมค่ะอาจารย์คุณไอซ์เบอรี่ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดับทุกหรือดับเหตุแห่งทุกสมุทัยคะอ๋อก็ต้องเ็ดับเหตุเองทุกมันต้องดับทุกมันเกิดจากเหตุก็ต้องไปดับที่เหตุไปดับที่ทุกไม่ได้ทุกมันเป็นปลายะ เหตุก็คือความอยากไปหยุดความอยากพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีแต่บางทีเราก็พูดสั้นๆว่าดับทุกข์คือเป้าหมายก็คือเราต้องดับทุกข์เป็นไฟกำลังไหมเราก็ต้องดับไฟเราก็ไปดับเหตุคือเชื้อไฟทำให้เชื้อไฟมันไม่ติดใช้นเอาน้ำใบลาดพอเชื้อไฟมันถูกน้ามันก็ไม่ติดไฟไฟก็ดับ คำถานจำคุณจิรชายาแม่ไม่อยากอยู่กับโยมอยากอยู่กับน้องถ้าโยมบังคับให้ท่านไปอยู่กับโยมจะบาปไหมเจ้าคะาการบังคับคนไม่ดีหรอกต้องปล่อยให้เขาทาตามสมัคใจของเขาเรายังไม่ถูกไม่ยังไม่ชอบให้เขาบังคับเราเลยแล้วเราไปบังคับคนอื่นก็ทํอะไรนอกจากจำเป็นจริงๆเพื่อสวัสดิการของเขาเช่นลูกเราเนี้ยต้องบังคับให้ไปโรงเรียนใช่ ถ้าตามใจเขาเขาก็จะเสียคนได้เขาไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนหนังสือเขาก็จะไม่มีวิชาความรู้ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องบังคับเขาแต่ถ้าบังคับก็แล้วเขายังไม่ยอมก็ต้องยอมเราก็ต้องหยุดเช่นบังคับเขาไปแล้วเขาร้องไห้โวยวายจะฆ่าตัวตายขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องหยุดเราบังคับเพื่อเพื่อให้เขามีความสุขแต่ถ้าบังคับแล้วทําให้เขาทุกข์เขาอยากจะฆ่าตัวตายเราก็ต้องหยุด ไปบังคับเขาไม่ได้คำถามจะกคุณจูใจคะ่ะเป็นคนคิดมากนั่งสมาธิก็จะหลับเดินจนกงกรมก็จะคิดตลอดลองนับก็แล้วพุทโธก็แล้วทําเป็นชั่วโมงก็ไม่หยุดคิดได้กราบเรียนขออุบายเพื่อช่วยให้เกิดสมาธิครับก็ต้องมันฝึกพุทโธพุทโธไปอยู่ทั้งวันเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็พุทโธไปเลย ลุกขึ้นไปทำอะไรก็พุทโทรไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดอาบน้าก็พุทโทรไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโทรไปถ้ามีพุทโทรอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะควบคุมความคิดได้จะมีกำลังมากขึ้นถ้าเราไม่พุทโทรเลยปล่อยให้มันคิดอาบน้าก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอมานั่งสมาธิมันไม่หยุดมันไม่หยุดคิดเพราะไม่มีอะไรไมาหยุดมันงั้นต้องฝึกสติให้มาก ฝึกบ่อยๆฝึกได้ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเราสามารถฝึกสติได้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่เหตุการณ์ถ้าเราต้องทํางานต้องเกี่ยวข้องกับคนมันก็ฝึกได้ยากถ้าเราไปอยู่คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไม่ต้องทํางานมันก็จะฝึกได้มากกว่าคนที่ก็อยากจะได้สติมากๆก็จึงไปบวชกันเนี่ยบวชชั่วคราวก็ไปบวชเจ็ดวันนี้บวชสามวันเจ็ดวัน ควาจริงเป้าหมายที่แท้จริงก็คือ ไ, ไปไปฝึกสติกันไปสร้างสติกันแต่พวกที่มาบวชส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันเพราะคนสอนก็ไม่ได้สอนที่มามาม า, มาบวชเพื่อมาถือศีงกันนั่นเองแต่ความจริงเป้าหมายหลักของการบวชก็เพื่อมาฝึกสติมาสร้างสติเพราะสตินี้มันมีคุณค่าประโยชน์มากกว่าศีลนจะรักษาศีลได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สติกว่าถ้าไม่มีสติเดียวก็ตบาบ่าแต่ สิ้นก็ขาดเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีแต่ถ้ามีสติแล้วบางทีไม่ต้องกลับบ้านบวชแล้วบวชเลยไม่ศึกคําถามจากคุณมาโธรัชค่ะการนั่งสมาธิตามเวลาที่กําหนดไวทุกวันมีบางวันที่ไม่สงบเลยแต่อยากปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้กรณีแบบนี้ควรฝืนนั่งไปเรื่อยๆหรือควรเปลี่ยนอิริยาบถไปคะถ้าฝืนได้ก็ฝืนไปอย่าไปฝืนด้วยการ อ่นั่งอดทนฝืนด้วยสติจะดีกว่าพยายามให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วถ้ามันอยู่กับพุโทโธได้ต่อเนื่องเดี๋ยวมันมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้นานเดี๋ยวคอยคึกสองสามคำถามนะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ชาวสิงคโปร์เขาได้เข้ามาสนทนาต่อสักสามคำถามก็แล้วกัน มีไมมไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็จะหยุดก่อนก็ได้จะคุณจะคุณเซนจุดนะคะกราบนนรสการครับผมเคยภาวนากําหนดรู้อิริยาบทแล้วกําหนดรู้ที่หน้าผาเพรรู้สึกว่าสติตรงนั้นแน่นแต่เถลอหลับไปแล้วฝันแนละ้วรู้สึกว่าไปอีกที่หนึ่งเป็นสะพานมีเสียงร้องกรี๊ดอย่างที่ไม่เคยได้มินมาก่อน ตอนนั้นรู้สึกว่าจิตกลัวมากและสะดุ้งออกมาครับอยากถามว่าคือมึนมิดหรือจิตสานึกหรือผมอุปท า, านเองผมต้องทําต่ออย่างไรครับคือไม่มีสติไงถ้ามีสติมันจะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ควรไปเอาตั้งสติที่หน้าผากควรจะตั้งสติที่พุทโธแล้วตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกที่หน้าผากมันไม่มีที่ให้เรากําหนดรู้ต้องรู้ลมหรือรู้พุทโธแล้วอาการต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เกิด อาการอันนี้ก็เป็นอา ก, การปรูงแต่งของจิตนะพอจิตมันไม่มีสติควบคุมมันก็เล่นละครให้เราดูหลอกเราเอา อ, อีกสองคำถามค่ะมีคำถามจากคุณมากโคราต์นะคะนั่งสมาธิแบบแบบดูลมหายใจจนถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าตัวเราไม่มีลมหายใจตกใจค่ะความรู้สึกกังวลว่าเราไม่ได้หายใจสมองเราจะเสียหาย และลนะความรู้สึกนี้อย่างไรคะเป็นเรื่องปกติของการฝึกหรือเปล่าอ่าเนเรื่องปกติเราหมายใจยังมีอยู่เพลงดาวมันละเอียดจนเราไม่สามารถมองเห็นได้รับรู้ได้แต่ไม่ตายไม่เป็นอะไรคนนั่งสมาธิสมองไม่ฟอร์ไม่เป็นอัลซาเมอร์ไม่ตายอย่ารพระพุทธเจ้าก็ตายไปนานแล้วตายไม่เดิมตัดทะลุ อ, อ, อข้อเดีย คำถามจากคุณวิลลี่แองเจลกลับนมทศการเจ้าค่ะอยากเดียงถามว่ามีงูลไม่เข้าบ้านแล้วด้วยความกลัวเราจริงีเขาตายแต่ใจเราไม่อยากทําเขาเลยเราบาปมากไหมคะที่เราต้องทำเพราะกลัวและไม่ใช่ที่อยู่ของงูเจ้าค่ะถ้าทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุรกายไม่ไปตกนรกถ้าทำถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาติก็จะไปนรกถ้าทําบาปด้วยความโลภ ข้างูข้างงูเาจะได้เอาไปขายกินขายเอาเงินมานก็จะเป็นเปรตแต่ถ้าข้างงูเพราะหิวอยากจะกิ น, นก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปมีสถานที่อยู่สี่ที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำเอานะั้นตอนนี้ช่วงแรกก็ขอเอาแค่นี้ก่อนจะอนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปริกปูเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิทิตังปทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินาสตุ มาเตผวะตวันตระโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศีลิฤษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันูสุขังภารัง